ไปหยียดไปได้แล้วการเช็คดวิดีโอก็เหยียดไปได้ ได้ครับนั่นแหละหยุดไว้ตองนี้ครัอ๋อสองชุดนะครับหยุดไว้ง อะไรทีใช่เลยแต่ร้อไปเลย เงินไว้ที่ไหนปัจจัยวางไว้ตรงนั้นเลยปัจจัวางไว้ตรงกลางเลยถ้าไหลจะใบนะปัจจัยวางไว้ อยากเข้ามาหน่อยนะนะให้คนที่รู้จักชาและคนที่เขาจะเข้ามาให้เขาเข้ามาให้เข้ามาใกล้ๆนะเวลาวันนี้มาร่วมกันทําบุญเพราะบุญนี้เป็นเหตุสัจใจที่สําคัญต่อความสุขและความเจริญของพวกเราถ้าเราทาบุญแล้วใจของเราก็จะมีความสุข ในความเจริญเรานี่ยนะ่ะที่อาศัยอยู่กับใจเพราะว่าเรากับใจเป็นอันเดียวกันก็ได้เพราะใจเป็นผู้ผลิตเราขึ้นมาคำว่าเราก็ออกมาจากความคิดตงแต่ของใจนี่การิงแล้นเราก็คือใจคือผู้รู้ผู้ที่ยังหลงอยู่ยังไม่รู้จักตัวเอง ยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครกันแน่เวลาเราได้ร่างกายมาเราก็ถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราเราเลยไปดูแลร่างกายมากกว่าเราจะมาดูแลใจร่างกายของเราเป็นอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างอิ่มนี้พีมัน มีความสุขมากเกินไปเสียได้ซ้งไปเพราะมีน้ำหนักมากเกินไปแล้วพอมีน้ำหนักมากเกินไปความสุขที่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไปเพราะร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ต่วยมีอายุไม่ยืนยาวนานเพราะว่าเราไปดูแลส่วนที่เราไม่ควรดูแลคือ ด, ดูแลได้แต่ควรจะรู้จักประมาณ ในการดูแลต้องรู้ว่าร่างกายต้องการอะไรมากน้อยเพียงไรเหมือนกับรถยนต์เราก็ดูแลรถยนต์ต่างประมาณเช่นน้ํามันเราก็เติมได้เพียงเป็มถังเราไม่เติมจนนถถังออกมาเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่คนที่ควรจะดูแลมากกว่ารถยนต์ก็คือคนขับรถคนขับรถถ้าไม่ได้ดูแล คนขับรถก็จะไม่มีเรื่องไม่รีแรงที่จะมาขับรถเราเนี่ยนะเป็นคนขับร่างกายเป็นเหมือนคนขับรถยนต์ใจ น, นี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆนาะนะนะใจเป็นผู้ที่จะมีความสุขหรือความทุกข์จากการกระทำต่างๆของของการสั่งของใจ ใจจึงควรจะรูวะ medicine, ้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ใจมีความสุขอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ใจมีความทุกข์เราพยายามสร้างเหตุที่ทําให้ใจมีความสุขและว่าเหตุที่ทําให้ใจมีความทุกข์เพื่อใจจะได้อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เราต้องรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียง ของชั่วคราวเป็นเพียงเครื่องมือของใจไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจใจสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีร่างกายเราจรึงอย่าเสียเวลากับการดูแลรักษาร่างกายให้มากจนเกิ น, นดูแลรักษาใจของเราอย่างทุกวันนี้เราจะเสียเวลาทุ่มเทเวลาให้กับร่างกายมากจนเกินไป ส่นานจะไม่มีเวลามาดูแลรักษาใจของเราสิ่งที่จะดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขปราศาจากความทุขขกข์ต่างๆก็คือการทานทานการรักษาศีลการตภาวนาอันนี้แหละเป็นปนปัจจัยสี่หรือว่าเป็นราภยศสรรเสริญสุขของใจ แต่เราส่วนใหญ่จะทุ่มเทเวลากับการหารายยศสรรเสริญสุขของร่างกายกันเรามักจะหาเงินทองกันอยากได้มากๆหาตำแหน่งสูงๆอยากมีหน้ามีตามีเกียรติอยากให้คนนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญอยากจะมีความสุขทางตาหูจมูกอินกายแต่การหาความสุข ทางร่างกายนี้เป็นความสุขปองความสุขที่ไม่ได้ได้ความสุขแก่ใจอย่างแท้จริงไม่ได้ให้ความอิ่มความพอแก่ใจเพียงกต่ให้ความเพลิดเพลินความสนุกสนานชั่วขณะที่ได้เสพได้สัมผัสพอผ่านไปแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสอะไรเลย ดังนั้นเราอย่าไปหลงกับการหาความสุขทางร่างกายทางราพยศจะรสนุสทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวและจะต้องหมดไปในที่สุดเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะหาความสุขต่างๆเหล่านี้ได้แล้วเปนเวลา แต่ชลาภาพเวลาเจ็บใข้ได้ป่วยหรือเวลาตายไปเวลานั้นจะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจเพราะใจไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆได้เพราะใจไม่รู้จักวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายวิธีที่หาความสุขให้กับใจ โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือทาทานรักษาศีลภาวนาดังนั้นพระพุทธเจาจึงสอนให้พวกเราหมั่นทา ท, ทานกันอยู่เรื่อยๆหมัน่นรักษาศีลอยู่เรื่อยๆหมั่นภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วก็จเจริญปัญญาสอนใจให้ฉลาดให้รู้ความจริงของใจของร่างกาย ได้รู้ความจริงของความสุขของความทุกข์ได้รู้ความจริงของเหตุของความสุขและความทุกข์เมื่อรู้ความจริงแล้วเราจะได้จัดการกับความสุขความทุกข์ได้อย่างถูกต้องความสุขเราก็ผลิตขึ้นมาความทุกข์เราก็กำจัดกมันไปพอเราสามารถผลิตแต่ความสุขไม่ผลิตความทุกข์ เพราะความทุกข์ถูกกำจัดไปหมดแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขในตลอดนี่แหละคือวิถีทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลเพลนได้ทรงดำเนินมาแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้ความจริงเราจึงต้องมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วพยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าถ้าเราปฏิบัติมากเราก็จะได้ผลมากได้ผลเร็วถ้าปฏิบัติน้อยก็จะได้ผลน้อยและได้ผลชา้าและอาจจะไม่ทันกับเวลาคือชีวิตของเรานี้เวลาจำกัดเหมือนแสงสว่างของแสงเทียนที่เราจุดไว้ในอยากร่ำสืน ถ้าเรามีภารกิจอะไรที่เราจะต้องทำเราเรื่ว่าถ้าเราไม่รีบทำเดี๋ยวพอแสงเพียงหมดไปมันก็จะมองอะไรไม่เห็นจะไม่สามารถทำอะไรได้ร่างกายเราก็จะเหมือนเพียงที่จะค่อยๆละลายไปทีละเล็กทีละน้อยและหมดไปในที่สุดดังนั้นขนาที่ร่างกายนี้ยังสามารถทำบุญ ทำทานรักษาศีลภาวนาได้ก็ขอให้เราส่วรจะทุ่มเทเวลาที่เรามีอยู่นั้นให้กับการทำทานรักษาศีลกับการภาวนาส่วนการดูแลรักษาร่างกายก็ทําไปตามความจําเป็นก็พอเช่นร่างกายก็หาอาหารให้พอเพียงหาเสื้อผ้าให้สวมใส่พอเพียง ให้มีที่อยู่อาศัยพอเพียงให้มียารักษาโรคพอเพียงถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วเราก็ควรที่จะหยุดหาได้แล้วควรที่จะมาหาความสุขความเจริญตังใจต่อใจทำทานให้มากขึ้นรักษาศีลให้มากขึ้น ภาวนาให้มากขึ้นจเจริญสติให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้นจเจริญปัญญาให้มากขึ้นแล้วความสุขก็จะมีมากขึ้นความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปจนหมดไปในที่สุดพอไม่มีความทุกข์แล้วใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดใจที่มีความสุขไปตลอดก็ไม่ต้องไปหาร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไป ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมีร่างกายใจสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนกับคนที่ไม่ต้องออกเดินทางไปไหนมาไหนแล้วอยู่บ้านได้แล้วมีทุกมีของทุกอย่างพอเพียงแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่จาเป็นจะต้องออกนอกบ้าน ่อไม่ออกนอกบ้านก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อรถยนต์มาเป็นพาหนะพาไปไหนมาไหนใจก็เหมือนกันเมื่อใจได้ปฏิบัติธรรมถึงพระนิพพานแล้วก็เหมือนได้ไปถึงด้านที่มีความสุขความบริบูรณ์ทุกรูปแบบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปหาความสุขภายนอกบ้านอีกต่อไปเมื่อไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกบ้าน ก็ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือผู้ใดที่ยังต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายมาก็แสดงว่าใจยังไม่มีความสุขร้อนบริบูรนั่นเองใจยังขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไม่อยากได้ก็เลยต้องมีร่างกายเพ่อยากจะดูรูปก็ต้องมีตาอยากจะฟังเสียงก็ต้องมีหู ก็ต้องมีร่างกายถึงจะสามารถทําได้พอมาได้ร่างกายก็ต้องมาแบกาับทุกข์ของร่างกายเพระร่างกายนี้ต้องต้องมีตัดใ จ, จสีก็ต้องยิ่นนนต่อสู้หาตัดใ จ, จสีมาเลี้ยดูร่างกายแล้วก็ต้องคอยปกป้องภัรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายแทนที่จะได้ความสุข จัดกับจะได้ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ า, าการภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาร่างกายนั่นเองและเวลาที่ร่างกายแย่ลงไปเกิดความเจ็บไข้ได้สวดลงไปก็ยิ่งทําให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีกและเวลาที่จะต้องจากร่างกายไปเวลาที่ร่างกายจะต้องตายไปเวลานั้นก็ยิ่ง ทุกทรามาร์าใจเพื่นรักเป็นใจหลายเท่าเดินกันดังนั้นขอให้เราจงเห็นโทษของการที่ที่จะตัดมาเิดเห็นโทษของความไม่อิ่มของใจเห็นโทษของความอยากของใจเห็นโทษว่าความไม่คาไม่อิ่มความอยากของใจนี้เกิดจากการที่เราไม่เลี้ยงดูใจของเราให้อิ่มนั่นเอง ให้เราเห็นว่าเราทำพานน้อยเกินไปเรารักษาศีลน้อยเกินไปเราภาวนาน้อยเกินไปเหมือนกับคนที่ของแห้งแรงน้อยเขารู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เขาของแห้งแรงน้อยก็เพราะว่าเขารับประทานอาหารน้อย น, น, น้อยไปดื่มน้าน้อยไปพักผ่อหลับนอนน้อยไปก็เลยทำให้ร่างกายเขาทรุดผอ ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนั้นใดใจของเราที่ไม่มีความอิ่ไม่มีความพอที่ต้องออกไปหาลูกเสียงกินวส・ตถุสัพเพมาบำรุงมาบำเลออยู่เรื่อยๆก็เป็นเพราะว่าใจไม่ได้รับการเลี้ยงดูให้มีความอิ่มนั่นเองใจไม่ได้รับทานไม่ได้ทําทาน ใ จ, ใจไม่ได้รักษาสีใจไม่ได้ภาวนาดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือการทำทานจำลการรักษาสีการภาวนาอันนี้เป็นภารกิจที่สาคัญกว่าการดูแลรักษาร่างกายด้วยปัจจัยสี แต่ก็จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายในการทำทานในการรักษาศีลในการปฏิบัติในการภาวนาเราก็ต้องดูแลร่างกายไปด้วยแต่ดูแลเท่าที่จำเป็นเหมือนกับเราดูแลรถยนต์เราดูแลเท่าที่จำเป็นให้รถยนต์วิ่งไปไหนมาไหนพาเราไปทาอะไรต่างๆได้ก็พอเราไม่ต้องมา เสีเวลาทั้งหมดกับการมาดูแลรักษารถยนต์เรามีภา ร, รกิจอย่างอื่นเช่นเรามีงานทำเราต้องใช้รถยนต์เราก็ต้องคอยเติมน้ำมันคอยเติมน้ำเติมลมให้กับรถยนต์เวลารถยนต์เสียรเราก็นำเข้าอู่เราทำเท่านี้ก็พอแล้วเพราะถ้าเรามาวัวแต่ทำแต่การดูแลรักษารถยนต์เพียงอย่างเดียว ถ้าเราไม่ไปทำภารกิจอย่างอื่นเราก็จะไม่สามารถที่จะมีเงินทองมาดูแลรถยนต์ได้ไม่มีเงินทองที่จะทำอะไรต่างๆให้เรามีความสุขได้กันไดการดูแลร่างกายเพื่อให้นามาทาภารกิจทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันขอให้เราทำท่าที่จำเป็น ทำชาี่ให้ร่างกายอยู่ได้สามารถทำให้เรามาวัดมาทำบุญให้ทานได้มารักษาศีลได้มาภาวนาได้ก็พออย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติมาพระพุทธเจ้าก็ดูแลรักษาร่างกายของพระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงดูแลรักษาใจเช่นเดียวกันแต่ทรงดูแลเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เ, เรื่องอาหารก็ส่งออกบินตาบานฐานวนลำือที่อยู่อาศัยก็หาที่หลบแดบหลบฝนได้ก็พออยู่ในกระต่อมอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเนินว่างอยู่ในถ้ำที่ทำ น, นี้ก็พอเสื้อผ้าเคื่องนุ่งห่มก็มีผ้าไปชายจีวรมีทาสามผืนก็พอแล้วพอปกปิดร่างกาย อรักษารักษาป้องกันร่างกายจากความหนาความเย็นจากต่างหรือจากมารานจากลัดต่อตอนนี้ก็พอเทียงส่วนยาจะสายายไปตามมีการเกิดยาสมุนไพรหรือยาอะไรที่จะหาได้ก็หาไปใช้ไปร่างกายอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ไดก้ก็ต้องปล่อยให้เขาตายไป แต่เวลาทั้งหมดนี้จะทุ่มเทเวลาให้กับการเลี้ยงดูใจให้ใจเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาให้ได้เพราะเมื่อไรที่ใจเกิดความอิ่มเกิดความพอแล้วเวลานั้นก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าการเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาหาร่างกายใหม่ครับถ้าได้ร่างกายใหม่ก็ต้องมาทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายใหม่ มาเจ้มาทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและทุกข์กับความายของร่างกายดังนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นดาบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ตาบนั้นก็ยังจะมีความทุกข์อยู่การที่จะกลับไม่กลับมาเกิดก็ต้องทำใจให้อีกทำใจให้ทอทำใจให้หมดความอยาก บดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปวดสัพเพหมดความอยากมีอยากเป็นหมดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิธีที่จะทําให้ความอยากเหล่านี้หมดไปก็ต้องใช้การภาวนาก่อนท <eties> ี่จะภาวนาได้ก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนก่อนที่จะรักษาสีลได้ก็ต้องทำทานให้หมดไปก่อนหรือทำทานให้ได้ก่อน ถ้าอยากจะทํำอยากจะรักษาศีลได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาก็ต้องทําทานคือฉละทรัพย์สมบัติไปให้หมดเลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการหาทรัพย์สมบัติคือเป็นนักบวชเวลาเป็นนักบวชนี้ก็ไม่ต้องทำมาหากินเมื่อไม่ต้องทำมาหากินก็ไม่ต้องทําบาตรแตเราที่ต้องทําบาปเพราะว่าเรายัางต้องทํามาหากินอยากได้เงินแบบง่ายๆเร็ว เป็นบางคนก็เสียชีพค่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้เพราะว่าเป็นอาชี่ที่ง่าหาเงินได้เร็วแต่งันเป็นการทำบาปหรือบางคนก็ทำมาทำมาค้าขายแล้วก็ชอบโกงค้ากำไรจนป่วยบางคนก็โงหกหลอกลวงลูกค้าว่าจะทำให้อย่างนั้นทำให้อย่างนี้แต่พอถึงเวลาก็ไม่ได้ทำให้ตามที่พูดเอาไว้ นี่คือสาเหตุที่ทำให้คนเรารักษาสิงไม่ได้เพราะความโลกอยากได้เงินนักว่าอยากได้เงินเร็วๆนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องหาเงินไม่มีความอยากได้เงินนักว่าอยากได้เงินเร็วๆเป็นออกบวชเป็นนักบวชเราก็จะไม่มีความจำเป็นจะต้องทำบาปเพราะเราไม่ต้องนะเราไม่ต้องการเงินทองเพราะว่าปจจสี่นี้เรามีคน สับสนุนดูแลให้เราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปช่อกรงเพื่อหาตัดใจสีมาเราไม่ต้องไปฆ่าสัต์ตัชีวิตเพื่อไปหาตัจใจสีมาเลี้ยงร่างกายของเรานี่คือเรื่องของการทำทานขั้นสูงสุดการทำทานก็มีหลายขั้นถ้าว่าขั้นเริ่มแรกก็คือทำทำเพือเลี้ยเที ย, ทยน้อยเป็นทำบุญวันเกิดทำบุญวันขึ้นปีใหม่ จำบุญวันเทศกาลต่างๆแต่นี้เป็นการทำทานขั้นเริ่มต้นไปก่อนแต่เมื่อถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังเทศสําเานมากขึ้น็นความสำคัญของการทาทานเพราะว่าเป็นบันไดที่จะนำพาให้เราไปสู่การรักษาสีสู่การภาวนาสู่สู่การบรรลุมรรคผลนิพพานสู่การชิ้นสจดแหงการเวียนว่าตายเกิดเราก็จะมี คามยินดีที่จะเสียเงินทองมากขึ้นทำฐานมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าการมีทรัพย์มากมากหรือการหาทรัพย์มามากมานี้ไม่ได้เป็นทางที่จะนำพาเราไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้นำพาเราไปสู่การสิ้นสุดแหงการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ไม่มีวันสิ้นสุด ผู้ที่เห็นโทษของการหาศรัพย์และการใช้ทรัพย์เพื่อเพื่อหาความสุขก็จะจะยุติหรือจะค่อยๆลดปริมาณการหาทรัพย์การใช้ทรัพย์ให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงขีดที่สามารถไม่ต้องหาศรัทย์ไม่ต้องใช้ทรัพย์ได้เลยก็คือสามารถออกบวชได้เลย การที่จะไปถิงขั้นนั้นก็อาจจะต้องมีการปฏิบัติรักษาศีลและภาวนาไปด้วยพวกคู่กันไปถึงแม้ว่าจะไม่สามารถรักษาศีลได้ต่อสุดตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ได้ภาวนาให้ได้รับความสงบอย่างเต็มที่แต่อย่างน้อยเราก็จะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการรักษาศีลผลที่เกิดจากการภาวนาทำให้เราเห็นคุณค่าของการมีศีล ของการมีใจที่สงบพอเราเห็นว่าเราสามารถทำใจให้สงบและมีความสุขกับควาสมสงบมีความสุขจากควาสมสงบและจะทำให้เราสามารถที่จะลดปริมาณการใช้เงินใช้ทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆให้น้อยลงไปเมื่อเราไม่ใช้เงินมากใช้เงินน้อยลงไปเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะมีเวลามา รักษาศี่ได้มากขึ้นมามีเวลามาภาวนาได้มากขึ้นบางต้องเราอาจจะมาอยู่วัดได้อาทิตย์ละหนึ่งวันเช่นวันพระต่อไปแล้วก็อาจจะมาอยู่อทิตย์ละสามวันต่อไปแล้วอาจจะเดือนหนึ่งอาจจะมาอยู่สิบห้าวันก็ได้เพราะเราไม่ต้องทํางานทั้งเดือนเราแบ่งเวลาทํางานครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนเราเอาเวลามา ามารักษาศีลมาภาวนาได้แล้วพอเราทกไปอย่างนี้เรื่อยๆทำมากขึ้นมากขึ้นผลที่ได้จากการกระทำมีมากขึ้นก็คือความอิ่มใจมีมากขึ้นความสุขใจมีมากขึ้นความอยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้อยากมีสิ่ง น, นั้นสิ่งนี้น้อยลงไปก็จะทำให้เรามีพลังใจมีกําลังใจที่จะมาปฏิบัติ ได้อย่างเต็มที่เลยคือยุติการทำมาหากินหาเงินหาทองยุติการใช้เงินใช้ทองแล้วก็มาอยู่แบบนักบวชถ้าบวชไม่ได้เช่นสุภาพตรตไม่มีที่บวช ก, ก็ก็อยู่แบบนักบวชไม่ก่อศรีรสะกก็ได้ไม่กนอศีลสักก็ได้แต่อยู่อย่างผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วก็ทุ่มใจเวลาให้กับการภาวนาเพียงอย่างเดียว วันทั้งวันไม่ทำอะไรนอกจากการจเจริญสตินั่งสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาถ้าจะทำก็ทำภารกิจที่จาเป็นเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเช่นการดูแลรักษาที่อยู่อาศัยให้สะอาดเรียบร้อยดูแลร่างกายให้มีอาหารนับประทานให้มีเสื้อผ้าที่สะอาดและสวมใส่ดูแลร่างกายให้อยู่เพื่อจะได้ปฏิบัติทไปจนถึงจุดหมายปลายทาง คือพระพิพัฒนนี่แหละคือการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องต้องดําเนินชีวิตอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินมาเพราะเป็นิีชีวิตที่จะนําพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความสุขที่ไม่มีวันเสื่์มไม่มีวันหมดไปความสุขที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด นี่คือวิถีชีวิตที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญไปแล้วได้ท่งนํามาเผยแต่สั่งสอนก็ปรากฏมีผู้มีศรัทธาน้อมนําออกไปปฏิบัติและไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งดําเนินไปถึงก็คือได้ไปถึงพระนิพพานได้เป็นพระอรหันตภาลวกปรากฏมีเป็นจํานวนมากมายตั้งแต่สมัยพระพุทธการมาจนถึงปัจจุบันนี้ น่าจะมีอย่างนี้ต่อไปตามใดที่ยังมีพระพุทธศาสนานำทางอยู่แต่ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะต้งตองหมดไปตามตามหลักของอนิจจังของความไม่เทีย่ยงพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงปัจจัยไว้ว่าจะอยู่ได้ประมาณหพันปีเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะไม่มีผู้ที่สามารถที่จะเข้าถึงหรือเข้าใจ สวามสำคัญของการปฏิบัติตามคําคสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีใครสนใจภาวนาบวชแต่จะสนใจกับการลาลาบยศสรรเสริญลาทางสึทางตาหูสหนุ ก, กนิ่งกายกับทั้งนี้ก็เป็นเพียงกลุ่พุทธการเราก็เห็นแล้วว่าคนส่วนใหญ่นี้จะไม่เห็นความสําคัญของการเข้าวัดของการทำฌานรักษาศิงห์ ของการภาวนาแล้วมีน้อยหน้าคนที่จะสนใจที่จะปฏิบัติทางของพระพุทธเจ้าได้อย่างเป็นที่มีก็จำกันไม่ครบกันส่วนใหญ่เดีย๋ยวนี้เข้าวัดกันก็ขอทำวุตรทำทานเป็งอย่างเดียวยังไม่อยากจะรักษาศีลยังไม่อยากจะ อ, อ, อยู่วัดถือสีต์แต่ภาวนากัน เพราะยังติดกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้วไก่คนที่จะภาวนาได้นี้จะต้องสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปคือแทนที่จะถือศีลห้าก็ต้องถือศีลแปดเพราะว่าศีลห้านี้ไม่มีกําลังมากพอที่จะส น, น, นับสนุนการที่จะทําใจให้เข้าสู่ความสงบได้นั่นเองจําเป็นจะต้องใช้ศีลแปดเหมือนกับเวลาที่เราขับรถยนต์ขึ้นที่สูง เราไม่สามารถใช้เกียร์เกียร์สูงได้ไม่สามารถใช้เกียร์สี่เกียร์ห้าได้เวลาเป็ขึ้นเขานี้จะต้องเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ห้าเข้าเกียร์สีถ้าเกียร์สี่กำลังไม่พอก็ต้องเข้าเกียร์สาเกียร์สองขึ้นไปตามลําดับแต่ในถ้าเราอยากจะภาวนานี้การใช้สิ่5้าก็จะไม่มีกําลังพอที่จะหยุดความอยากของใจหยุดความฟุ้งซ่านต่างๆของใจได้ดัเป็นจะต้อง ถึงแต่นี้จะช่วยตัดกำลังของความอยากของใจที่ทำให้ใจพุ่งสร้างเรื่งความอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ถ้าถึงสิงแต่เราก็ตัดความอยากนั้นก็ได้เลยเพราะเรารู้ว่าตอนนี้เราจะไม่ร่วมหลับนอนกับเขาแล้วพอเรารู้ว่าเราไม่ทําความอยากมันก็ไม่ออกมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเรื่องการรับประทานอาหารมากเกินไปก็เช่นเดียวกัน เราถือศีลแปดเราก็จะรับประทานอาหารไม่เกินเที่ยงวันหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาอาหารมารับประทานในตอนเย็นตอนข้างหรือตอนกอ่อนจะนอนแล้วถ้าเราไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วตอนบ่ายตอนเย็นเวลาเราจะภาวนานั่งสมาธิจะไม่ว่วงเหงาหานนอนจะไม่สับสนงงถ้าเรารับประทานอาหารอิ่มๆแล้วเรามานั่งสมาธินี้จะนั่งไม่ได้เพราะนั่งแล้วจะสับสนงง นี่ก็คือสิ่งแต่นดัจากนั้นเราก็ต้องมาบจัดการหาความสุขจากการบันเทิงต่างๆเช่ไม่ดูหนังไม่ดูโทรทัศน์ไม่ดูละครไม่ร้องรำทําเพลงไม่หาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่เนื้อแต่งตัวไม่หาความสุขจากการใช้เครื่องสำอางใช้เครื่องหอมต่างๆน้ําหอมต่างๆอันนี้เป็นความสุข พองำความสุขเดียวยวไม่นานมันก็จารหายไปสู่มาความสุขที่เกิดจากการภาวนาทำใจให้สงบไม่ได้ถ้าเราไปดูหนังไปดูละครไปร้องรำทำเพลงเราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันนั่นเองพอเราไม่ต้องดูหนังดูละครไม่ต้องไปเที่ยวการประนที่ต่างๆเราก็มีเวลามานั่งทำใจให้สงบ การเจริญสติควบคุมความคิดด้วยการบริกา ร, รพุทโธพุทโธด้วยการสวดมนต์ด้วยการดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งและแต่เราจะถนัดเราชอบบริกา ร, รพุทโธเราก็พุทโธไปเราชอบสวดมนต์เราก็สวดมนต์ไปเราชอบดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็เฝ้าดูไปพอเวลาที่เราไม่ต้องทำภารกิจต่างๆ เราก็มานั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุทโธต่อไปสวดนมนตต่อไปดูอลอยหายใจต่อไปไม่นานใจของเราก็จะเข้าสู่การสงบพอสงบแล้วใจก็จะมีความสุขยิ่งกว่าการได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆยิ่งกว่าการได้ดูหนังได้ดูละครได้ร้องรำทาเพลงนี่แหละคือสิ่งแปดที่เราจะต้อง ถือกันถ้าเราอยากภาวนาได้ผลตอบใจให้สงบได้อย่างง่ายดายต้องอาศัยสิ่งแต่เป็นเครื่องมือช่วยเหลือ น, นอกจากการไม่ดูหนังฟังเพลงแล้วก็ต้องมีอีกข้อนึงก็คือต้องไม่นอนบนฟูกหนาเ น, นอนบนเตียงใหญ่ๆที่มีฟูกหนาๆ น, นอนหลับแล้วสบายเพราะว่าจะนอนมากเกินไป ปกติร่างกายนี้ถ้าได้ทักประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆนะพอตื่นขึ้นมานะก็จะไม่อยากจะลุกก็จะหลับต่ออีกสามสี่ชั่วโมงจะเสียเวลาอันมีค้าที่จะเอามาภาวนาก็าจะไม่ได้ภาวนาสำรวจไปกับการหลับนอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆคือความสุขเดียวเดียว เราตื่นขึ้นมาตามสุขที่ได้จากการหลับนอนนั้นก็หายไปหมดช่วยเอามาภาวนาไม่ได้เพราะถ้าเราภาวนาได้แล้วใจเราสามารถรักษาความสงบได้ไปเรื่อยๆตลอดเวลาเวลาใดเราอยากจะให้ใจสงบเราก็ทําให้สงบได้นี่คือสิ่งแปที่เราควรที่จะอัดถธอกันบ้างในวันที่เราจะมาอยู่วัดกัน หรืออยู่บ้านเพื่อบำเพ็ญจิตตภาวนากันถ้าเราจะสิน้นแปดได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องไปอยู่วัดนร้อไปอยู่ตามสถานที่ที่ไม่มีใครม า, ารบกวนใจอยู่อยู่คนเดียวถึงแม้จะอยู่วัดหลายๆลาคนแต่เวลาไปอยู่ที่ตามที่พักก็จะแยกกันอยู่กันจะไม่อยู่ด้วยกันต่าคนต่างอยู่เพื่อจะได้ควบคุมความคิดของตนได้ ถ้าอยู่หลายคนคุยกันก็จะควบคุมความคิดไม่ได้แต่ถ้าอยู่คนเดียวเราก็จะพุโทโธพุโทโธไปได้เรื่อยๆหรือสวมดมนต์ไปภายในใจได้เรื่อยๆหรือจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปได้เรื่อยๆถ้าเราอยากจะนับหนึ่งสองสามไปแทนก็ได้ขอให้เราหยุดความคิดเท่านั้นเองอยากไปคิดถึ ง, งเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่ชอ พ, พุโทโธไม่ชอบสวดมนต์ ไม่ชอบเข้าดูการเคลื่อนไหวของล่างกายชอบนับหนึ่งสองสามก็นับหนึ่งสองสามไปแทนก็ได้นับไปเรื่อยเพื่อที่เราจะไม่คิดอะไรพอเวลาเรามีเวลาที่จะมานั่งได้เราก็มานั่งหลับตาแล้วก็นับต่อไปไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบแล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่ม ความหิวที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถือสิ่นแต่คือการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะหายไปอาหารเยินไม่รับประทานก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจมีความสงบไม่ได้ดูหนังแลไม่ได้ดูละครก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขจากจา ก, จากความสงบนี้มาทดแทนเป็นความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารการ ดูดูหนังดูละครการร้องรำทําเพลงถ้าเราอยากจะรักษาความสงบนี้หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องเข้าดูใจเราเวลาใจเราไม่สงบเราก็ต้องหาเหตุว่าอะไรทําให้ใจไม่สงบถ้าเราสังเกตดูเราก็จะรู้ว่าใจเราจะไม่สงบก็เพราะว่าเกิดความอยากขึ้นมาเวลาเราเกิดความอยากได้อะไรอยากจะทําอะไรนี้ แต่เราจะไม่นิ่งแล้วจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะจะกระวนกระวายกระสับกระส่ายถ้าเราเห็นว่าการที่จะทําให้ใจเรากลับเข้าสู่การสงบ ก, ก็คือการหยุดความอยากเราก็ต้องบอกใจว่าอย่าไปอยากเลยอยากอยากแล้วก็จะไม่ได้ความสงบอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้หยุความอยากได้จะดีกว่าเราจะได้มีความสงบนิ่งของใจต่อไปได้ ถ้าเราไปทำตามความอยากความสงบก็จะหายไปความสุขที่เราได้จากความอยากก็จะเป็นความสุขอยู่เดียวหลังจากนั้นก็จะทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมาม่อีกเราก็ต้องไปทำตามความอยากอีกยิ่งทาตามความอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความอยากมากขึ้นจานั้นแน่ในที่สุดใจก็จะไม่ไม่มีความสงบลงเหลืออยู่เลยถ้าเราปล่อยให้ใจไปทาตามความอยาก หลังจากที่เราออกมาจากสมาธิแล้วบามที่ดีดเวลาออจากสมาธิเราก็ควรที่จะควบคุมความคิดของเราต่อไปอย่าปล่อยให้คิดไปในทางความอยากถ้าคิดไปในทางความอยากก็ต้องสอนใจให้รู้ว่าความอยากการกระทำตามความอยากนี้ไม่ได้นำความสุขมาให้กับใจแต่นำความทุกข์มาให้กับใจเพราะความอยากได้นี้จะไม่มีวันพอ ได้อะไรมาบ้างน้อยเท่าไหร่ก็จะไม่พออยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนี่คือวิธีที่เราจะสอนใจให้หยุดความอยากเพื่อที่จะรักษาใจให้สงบต่อไปได้ถ้าเราสอนใจแล้ใจเชื่อยอมหยุดความอยากได้เราอยู่เฉยๆก็มีความสุขพอเรารักษาความสุขได้จะกทำสมาธิได้นั่นเอ ถาใจยังดืยังไม่ยอเชื่อเราเราก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิใหม่เวลาเกิดความอยากแล้วแค้นอยากจะออกไปเที่ยวแล้วอยากจะไปดูหนังดูละครแล้วตอนนี้เราก็ต้องกลับมาทําสมาธิใหม่ทําใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วความอยากไปดูหนังอยากไปเที่ยวก็จะหายไปชั่วคณะแล้วพอออกจากสมาธิมาเราก็คอยควบคุมความคิดของเราอย่าให้ไปคิดถึงความอยากไปเที่ยว เราควบคุมไม่ได้เลยล่ะคิอย่างสบา่เที่ยวก็ใช้ปัญญามาแก้ลองสอนว่ามันเป็นการเดินไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการเดินไปหาความสุขถ้าไม่เชื่อก็ต้องกลับก็ไปนั่งสมาธิทำอย่างนู้ไปไเรื่อยๆ็นฝากใจจะยอมใจจะเชื่อเชื่อแล้วต่อไปก็จะหมดความอยากไปหมดความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย เมื่อไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรแนละ้วอยู่เฉยๆก็จะไม่มีอะไรมาลบควนใจมาทำลายความสนกที่ได้รับจากการทำใจให้สนกนี้ต่อไปใจของเราก็จะสนุกตลอดเวลาเพราะเราสามารถยึดติดความอยากทั้งสที่มีในใจของเราให้หมดไปได้นี่แหละก็คือวรมนิภพานอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่การยุดติของความอยากทั้งหลาย เมื่อไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความประวนตวนัวกระสับกระส่ายไม่มีความทุกข์ไม่มีความหิวต่อไปไม่ต้องการที่จะต้องไปเกิอดอีกต่อไปเพราะว่ามีความสุขพร้อมบริบูรณ์อยู่แล้วในภายในใจนี้เองใจนี้แหละที่เป็นพะนิชฐานพานิชฐานนี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพของใจที่ปราศจากความอยากต่าง เป็นใจที่การเปลี่ยนไปด้วยความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขคับในรลักคือการพัฒนาจิตใจของเราการสร้างความสุขสร้างความเจริญที่แท้จริงให้แก่ชีวิตของเราต้องสร้างด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาด้วยการบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานอย่างที่พระพเจ้าและพาาาระอรหันต์ปัสาวะทังหลาได้ปฏิบัติกัน การปฏิบัตินี้ไม่เป็นสิ่งที่เหนือวิสัยของมนุษย์ถ้าเหนือวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาเผยแผ่สั่งสอนแล้วก็จะไม่ปรากฏมีพระอารหาันต์ปัสาวกขึ้นมาแต่นี่ปรากฏมีพระอารหาันต์ปัสาวกขึ้นมากันเป็นจำนวนมากเก็เพราะว่ามีผู้ฟังแล้วมีจิตศรัทธามีผู้ที่กล้าที่จะปฏิบัติการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ เป็นผู้ที่ฉลาดผู้ที่เห็นโทษของการติดอยู่กับความอยากติดอยู่กับความสุขทางร่างกายทางรูปเสียงกลิ่นรสสัพผถ้าเห็นถ้าเราเห็นโทษของความสุขเหล่านี้เพราะว่าเราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายได้เห็นความทุกข์แบบนี้เห็นโทษของความสุขแบบนี้เราก็จะได้ยุติ เหมกับคนที่เห็นโทษของการดื่มสุราเห็ <L an> นโทษของการสูบบุหรี่เ <L an> ห็นโทษของการเสพยาเสพติดถ้าเห็นโทษก็จะมาิกได้ใน ต, ตอนที่เลิกก็อาจจะต้องใช้ความเข้มแข็งความอดทนต่อสู้กับความอยากไปจักระยะถ้ามีเครื่องมือก็คือมีวิธีมีการทําใจให้สงบได้ก็จะไม่ไม่ไม่ยากเย็นถ้าไม่มีการจัดสมาธินี้ จะทำไม่สําเร็จกันเพราะว่ามันทรมานใจโดยไปแต่ถ้ามีสมาธิเวลาเกิดความทรมาใจก็เหมือนกับเวลาเกิดอาการปวดศีรษะก็มีย า, กาแก้ปวดศีรษะรัถประทานและช่วยกระทางความปวดศีรษะได้ไปพอทำให้อยู่ไปได้ต่อไปถ้าเราทำสมาธิได้เวลาที่เราจะอยู่ความอยากและเกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่ที่มีสมาธิก็จะพอต้านกับความทุกข์ทรมานใจได้หรือถ้าตานไม่ไหวก็เข้าไปในสมาธิเลยก็ได้ถ้าเข้าไปในสมาธิเลยก็จะไม่ทุกข์เลยแต่เวลาออกมา ก, ก็อาจจะทุกข์บ้างแต่ถ้ามีมีสมาธิมีปัญญามาช่วยมาเสริมก็จะสามารถหยุดหรือสู้กับความอยากต่างๆได้ดังนั้นขอให้เราพยายามทําทานรักษาศีล ภาวากันให้รักว่าว่านี่เป็นเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีทางอื่นถ้ามีทางอื่นพระพุทธเจ้าก็จะนํามาสอนพระพุทธเจ้าทรงพบทางนี้ที่เป็นทางเดียวเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายาม ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความขยันหมั่นเพียรทาไปจนกว่าชีวิตจะมาไม่รับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งผลนันแรกอันสุดที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแต่เวลาเราขอยุติไว้เพียงทค่นี้ก่อน แล้วถ้าจะมีการสนทนาอะไรกันต่อไปก็เข้าว่ากันตามลำดับต่อไปส่วนตอนนี้จะให้พรไปก่อนเลยเพื่อท่านที่ต้องเดินทางต้องไปต่อจะได้ไม่ต้องมาั่งรอกันนานจนเกินไปยะถาวาหรือวาห า, า, าตัวาปริ้มตนิสาการ เอวเมวะอิโตจินังเอตานังอุปาคปติอิชิตังปะิตางสุขังทิพเมวะสมิจตุสัพเพโตเลตุสังสปาระจันโตปนาละสุญญาสังิโตติะสุญาสัิโยวิวัชาตุสัพพรโควีนาสตุ มาเตโพธิวัตตาบายยสุขีชิคายุโปภะตพิวาเนสีนิสสานิจังนุธาปจายโนจปาโรธมาวาาติอายุวโนสุขังะระหัง ทียังไม่ได้หนังสือยังไม่ได้ซีดีถ้าต้องการก็ขอเชิเข้ามาอุดได้เป็นไงสบายดีเออเออยังพอหายใจได้ <c oughs> หายใจได้ก็สบายหายใจไม่ได้ยิ่งสบายย <c oughs> ิ่สงสาธิตเงร่างกายนี้เป็นคาลาฮเวตันจัดขันถาวต้องแบกบมันเหมือนภูเขา ไม่มีร่างกายนี้สบายหลับยาวไปเลยหลับแบบไม่ตื่นไม่ต้องมีร่างกายสบายแบานี้ก็เมตตาเท่าที่มันจะอยู่ได้แ้ามันไม่อยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไปสั่งมันไม่ได้ก็ขอให้ขอให้รู้สึกเมตตาสงสอนด้วยไม่เช่นสอนแต่แล้วไม่ปฏิบัติเลย สอนแล้ว่ปฏิบัติเลยสอนไปก็เหนื่อยกว่าสอนเข้าหูซ้ายออกหูวขวากลับมากี่วันกี่เดือนก็อยู่ที่เดิมอย่ง น, นะมันสอนนี่มันท้อแท้อแล้วอยู่แต่ปหนึ่งไม่ยอมขึ้นปสองปสามไม่ยอมจบปริญญาสะผิดนะสงสารคนเมตตาคนสอนด้วยอย่าให้เมตตาอย่าให้คนสอนเมตตาแต่คนคนเรียนอย่างเดียวคนเรียนจะต้องเมตตาคนสอนด้วย ถ้าเรียนแล้วจบนี้่โห่คนสอนจะมีกําลังใจอยากจะอยู่ต่อไปนานๆเพราะว่าสอนว่าเกิดผลเห็นคนได้สุดเพิ่มจากความทุกข์นี่มันไม่มีอะไรจะจะดีเท่าเห็นคนร้องไห้แล้วมันเป็นยังไงน่าสงสารก็นไหมอยากจะเห็นคนก็หัวเราะกันอยากจะเห็นคนก็มีความสุขกันซึ่งความจริงถ้าเรามีธรรมะนี่เราหวรดดัวเราะ ไ, ไ, ไ, ได้แต่เราก็หัวเราะได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็หัวเราะได้เวลาจะตายก็หัวเราะได้ ว่าธรรมะมันจะสอนให้เรารู้ว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นกองทุกข์มันเป็นภูเขาที่กดจิตใจของเราทุกวันนี้ที่เราหนักอกหนักใจก็ไม่ใช่เรื่องร่า ง, างกายหรือทุกวันนี้หนักอกหนักใจก็เรื่องของร่างกายเรื่องการหากินเรื่องการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของร่างกายทั้งนั้นถ้าไม่มีร่างกายแล้วมันเบาเบาใจ หรือถ้าไม่ไปยึดติดไม่ไปถือว่าเป็นของเรามันก็เบ า, บา อ, อกเบาใจได้ น, นะนขอให้ไปปฏิบัตินะแล้วมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้สบายใจแล้วไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นกระต่ายไม่รับมันได้ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้านี้มาแล้วยัอย่างนี้จะเมตตาอยู่กันนาน เดี๋ยวต้องขอคืนไปนะครับสันได้นิดหน่อยเท่านั้นเองใครจะใครจะรับประทาวก่อนก็เป็นน้ำเก๊กฟูอะไรอ่างเงี้ยอนี้สนใจจะจะดื่มน้ำเปล่า ช่วงหลังลแบบมันจะปวมันเหมือนเลยไม่แน่ใจว่าเราติดติดเพ่มัมากไปหรอเปล่าอะกัปวดแขนมันจะเหมือนตึงอะมีส่วนถ้าเราไปมีความบ้านหมายมากเกินไปแล้วอยากจะให้ได้ผลวามอยากจะให้ผลนี่มันจะทาให้กอาการตึงเครียดขึ้นมาได้เวลาทาเราอยากไปอยากให้มันได้ผลขอให้เราทา หน้าที่ที่เราต้องทำก็คื อ, อให้เราต้องอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปส่วนผลจะเกิดไม่เกิดมันก็เป็นเรื่องของมันอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าใจไม่ก่อชอบทำของอห่านี้เวลาต้องทาอะไรที่ไม่ชอบนมันจะมีอาการต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าทำในที่ชอบนีมันจะดาวสงสบายเนทะํา ท, ที่ไม่ชอบมันจะอึดอัดใจมั น, กกน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าช่วงหลังค่ะสงการคือเหมือนกับว่าเราจะแบบเป็นกังวลว่าไอ้ตอนนี้เราควรที่จะมาพิจารณาได้อันนี้ก็เป็นส่วนแต่เวลาทำมันก็อย่าไปกังวลเราต้องศึกษาให้เข้าใจแข็งแกร่งว่าเราต้องทําอะไรก่อนทําอะไรสิ่งที่เราต้องทําก่อนส่วนแรกก็คือดำเนินสติให้ได้ก่อนคือควบคุมความคิดให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เรื่องปัญญานี้เป็นเรื่องมาทีหลังโดยเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธินี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพิจารณาทางปัญญาจะให้อยู่กับอารมณ์เดียวให้อยู่กับพุโทโธไปให้อยู่กับการสวดมนลไปหรือให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปไม่ต้องไปทาอย่างอื่นเรื่องของปัญญานี้ต้องมาหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้ว ออกมาหลังจากสมาธิสมาธิมาก่อปัญญานอกจากมีกรณียกเว้นที่เราเป็นคนที่ชาบคิดไปนในทางปัญญาแล้วไม่สามารถให้ใจอยู่กับจิตใจได้เวลานั่งสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญามาปลอมให้ใจเข้าสู่ความสงบเป็ในใจไม่สงบเพราะมี ปัญหาอยู่กับเรื่องอะไรก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปแยกๆเข้าไปพิจารณาย้าวยุติปัญหานั้นถ้ายุติปัญหานั้นได้ใจก็จะกับเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้านั่งแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องใช้ปัญญาแค่เพียงแต่ให้ดูลมหายใจก็ออกหรือให้ใช้ตารบริกรรมพุทโธพุทโธกันตอนนั้นยังไม่ต้องพิจารณาทางปัญญา ก่อนที่จะพิจารณาทางปัญญาได้เหตุได้ผลต้อ ง, งใจใสงบก่อนถ้าใจไม่สงบแล้วพิจารณาจะมีกิเลสมาคอยต่อต้านมาคอยขัดขวางพิจารณาได้เดี๋ยวเดียวเดียวก็ถูกเดินไปพิจารณาทางอื่นแทนแต่ถ้าใจสงบนี้กิเลสจะไม่มีกําลังมากพอที่จะมาต่อต้านได้มาขัดขวางการพิจารณาทางปัญญา ก็จะสา ม, ส า, มารถพิจารณาได้อย่างเหตุได้สมเหตุสมผลได้เหตุได้ผลก็จะมีความรู้แจ้งเห็นจริงตามมาได้ในเรื่องของปัญญานี่เป็นเรื่องที่ต้องมาหลังจากที่เราได้สามาธิครบถ้าใจเรายังไม่สงบปัญญาทำใจให้สงบก่อนเหมือนกับแพทย์ที่จะผ่าตัดคนไข้ กอที่จะผ่าจากคนไข้ได้ต้องทำให้คนไข้สงบก่อนต้องให้ยาสงบ ก, ก่อนถ้าไม่ให้ยาสงบไปผ่าคนไข้คนไข้ติ้นผ่าไม่ได้แต่ถ้าคนไข้สงบแล้วไม่นรู้เรื่องการผ่าตัดแล้วเวลาหมอผ่าก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดิน้นไม่ดิน้นไม่ทาอะไรเท่านั้นหมอก็สามารถผ่าตัดได้อย่างอย่างเรียบร้อย ดังนั้นใจของเราต้องสงบก่อนถึงจะสอนใจได้ถ้าใจไม่สงบจินเลยจะมาค้านจะมาดึงใจไปคิดทางอื่นเน้นสอนให้คิดถึงความตายมันจะไม่ยอมคิดถ้าใจไม่สงบพอคิดความตายแล้วจะเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาไม่อยากจะไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพิดยานาแต่ถ้าใจสงบนี้จะไม่มีอารมณ์ไม่ดีเวลาที่เราคิดถึงความตายความแก่ความเจ็บ เราก็จะพิจรารณาได้บ่อยเท่านานเท่าเวลาพิจรารณาได้นานได้บ่อยเราก็จะเราก็จะไม่ลืมความจริงเราก็จะไม่เราก็จะไม่หลอกตัวเราเองว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรื่องของปัญญาการสอนการพิจรารณาปัญญาก็เพื่อสอนความจริงให้กับใจให้ฝังอยู่ในใจเท่านั้นเอง อาจจะให้มันฝังอยู่ในใจก็ต้องคิดอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆหรือกลับมาเวลาที่เราจะต้องสูตรคูนจำสูตรคูนได้นี้เราก็ต้องท่องมันบ่อยๆหรืท่องเข้าใจเข้าใจไปบบอยๆจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจดั้นเราก็ต้องพิจารณาเรื่องความแต่ความเสจ็บความตายเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการสูญเสียสิ่งต่างๆไปอยู่บ่อ ถ้ามันฟังอยู่ในใจเราให้ได้ถ้ามันฟังอยู่ในใจแนละ้วเราจะไม่เสียใจเวลาที่เราแต่เวลาเราเจ็บเวลาที่เราสูญเสียสิ่งต่างๆพ้าเรารู้อยู่ล่วงหน้าแนละ้วเราคิดอยู่ตลอดเวลาพอเรารู้ว่าจะต้องสูญเสียแล้วก็เตรียมตัวเตียมใจนะเหมือนกับเรารู้ว่าเดือนนี้เราต้องจ่ายค่าโทรศัพท์เท่าไหร่จ่ายค่าไปรษณีา์เท่าไหร่ค่านะ้ำเท่าไหร่เราก็เตรียมตัวจ่ายทัน แต่ถ้าเราไม่คิดว่าอย่างนี้เราต้องจ่ายค่าโทรสั่งค่าน้ำค่าไฟพอบินมาเราก็จะตกใจเอ๊ะไม่ต้องจ่ายค่านี้ท่านี้ด้วยอันนี้แหละคือการสาอนใจสอนใจให้เตรียมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นเองเพื่อใจรู้ว่าจะต้องอะไรเกิดขึ้นก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้พอเตรียมแล้วก็รับได้ไม่ตกใจไม่ตึ่นเต่ไม่ทุกข์นี่คือเรื่องของปัญญา คิดเรื่องต่างๆเหลนี้ได้ใจต้องสงบเพราะถ้าใจไม่สงบกิเลสจะให้เราไปคิดเรื่องเรื่องที่อยากจะไม่แจ่อยากไม่เจ็บ อ, อยากไม่ตายอยากจะเป็นสาวไปตลอดอยากจะสวยไปตลอดอยากจะไม่เจ็บไข้ได้สุขอยากจะไม่ตายพอจะถึงเวลาแย่ขึ้นมาก็ตกใจเห็นมีผ ม, ม, ผมสีขาวโผล่ขึ้นมาก็ตกใจแนละ้ว มีหนังเหี่ยวอยู่เรื่อยๆก็ตกใจไปเห็นอุบัติเหตุที่ไหนขึ้นมาก็ตกใจเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราเลยแต่ถ้าเราคอยสอนใจอยู่เสมอว่ามันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ต, น, นต่องมีเล่าต้องแต่ต้องเจ็บต้งตายอย่างแน่นอนต้องสูญเสียของที่เรารักไปอย่างแน่นอนจะเสียก่อนเสียหนังเสียชาหรือเสียละทรแค่ น, นีแต่มันต้องเสียแน่แน่ ถ้เรารเรู้ล่วงหน้าแล้วเวลาเสียก็จะเฉยๆไม่เดือไม่เดือด น, นอนไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ใจถ้าไม่รู้ล่วงหน้าไม่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจเวลาเกิดขึ้นก็จะโวยวายขึ้นมาทันทีสมมติเราไปเช่าอาคารที่พักที่ไหนอยู่แล้วเขาไม่ได้บอกเราว่าเราจะต้องเสียค่านั้นค่า น, านี้พอถึงเวลาส่งบินมาให้มเราจะตกใจทันทีเอ๊ะไปแลา้าไปไม่ได้บอกว่ า, าจะต้องเสียอะไรเลย พอถึงสิ้นเดือนส่งบินมาเก็บนะงั้นเราต้องถามว่าพอใช่ไหมว่าต้องเสียค่าอะไรบ้างแล้วเราจะได้เปลียนตัวเปลียนใจเสียนเงินเปลียนทองไม่จ่ายได้แต่ในเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องถามว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดมาแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องแต่ต้องเจ็บต้องตายอามาเราก็จะได้เปลียนตัวเปลียนใจได้แต่เราเคคิดไหเรื่องความแก่คามเจ็บกวามตายเราคิดอยู่บ่ยบหรือเปล่า อย่างพวกเราจะสอนให้คิดทั้งวันเลยว่างเมื่อไหร่ก็คิดว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันถึงจะพอถึงจะไม่ลืมแต่ถ้าเราวันนึงคิดหนึ่งเดียวทั้งสองั้งนี้เดี๋ยวก็ลืมนะพอไปทางานเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ลืมไปหมดนะถ้าใจถ้าเราคิดถึงคามแก่ความเจ็บทางตายแล้วเราไม่สบายใจก็แสดงว่าเราเราลืมแล้วเราลืมว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตาย การที่จะคิดอย่างนี้ได้ใจก็ต้องมีความสงบแล้วต้องไม่มีภารกิจไปคิดเรื่องอื่น mm hmm. ถ้ามีต้องไปทำงานทำการไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ mm hmm. ก็จะไม่มีเวลามาคิดถึงเรื่องความแก่ความสุขความต mm hmm. ายพอไม่ได้คิดไปสักคั้หนึ่งก็จะลืมไปใจเราลืมง่ายของอะไรที่เกิดขึ้นต่านไปถ้าเราไม่คิดถึงมันมืเดี๋ยวลืมนะไม่ทางได้กินอะไรจาได้หรอใช่นะ จำไมงมานั่งเล็กบ่อยๆเยอะเลยนะกินอะไรไปจำไม่ได้เพราะมันมีเรื่องอื่นมาตกอยู่เรื่อยๆมีเรื่องใหม่เข้ามาเรื่องใหม่เข้ามาตกอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากให้เรื่องต่างๆมากบความจริงที่เราจะต้องรู้อยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องคิดมันอยู่ตลอดเวลาการจะคิดอยู่ตลอดเวลาได้ก็ต้องมีความสงบแล้วก็ต้องไม่มีงานนี่เดี๋ให้คิดต้องมาเป็นนักบวชได้ออยู่แบบนักบวชนักบวชไม่มีงานไม่มีเรื่องอื่นให้คิด ไปจะคิดแต่เรื่องเกิดแสบเจ็บตายเรื่องการพัดแพ้เรื่องการสูญเสียเรื่องของความเสื่อของสิ่งต่างๆที่อยู่บ่อยมันก็ไม่ลืมไม่หลงพอไม่ลืมันก็ไม่หลงพวกเราลืมกันหลงกันพรอหลมกันแล้วคิดว่าจะอยู่ไปนานๆจะไม่แสบจะไม่เจ็บจะไม่ตายพอมาเจอความแสการเจ็บการตายขึ้นมก็ตกใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย นี่ถ้าจะไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคมะเร็งมีเวลาอยู่สามเดือนหกเดือนนี่ยังโผล่เลาะได้ไหรือเปล่าแต่ถ้าเราเดินเดินใจสองใจอยู่เรื่อยๆพอไปหาหมอหมอบอกก็เรก็รู้อยู่แล้วว่าเต้องตายนะทีนี้หมอมาช่วยยืนยันความจริงให้นี่ให้กับเราเราจะได้เตรียมตัวอย่างจริงจังนะทีนี้เมื่อก่อนเรายังไม่เตรียมตัวอย่างจริงจังเพราะยังไม่รู้ว่มันจะเข้ามา มันจะจริงขนาดไหนแต่พอหมอโ ม, อมอยืนยันให้กันล้วทีนี้เราต้องเตรียมละต้องสู้กันจริงๆต้องทำใจให้ได้ต้องป่อยวางร่างกายให้ได้ถ้ามีสมาที่มีปัญญาปล่อยได้เนี่ยแต่ก่อนที่จะมีสมาที่มีปัญญาได้ก็ต้องสูกผลสร้างมันขึ้นมาแต่นี่เราไม่ได้ทำกันเลยเรานั่งสมาธิกันมากน้อยเพียงไรเราพิจารณาทางปัญญากันมากน้อยเพียง แค่จะเชี่ยวเดียวมั้นิดเดียวทั้งนี้นมันไม่พอเลยมันต้องทําแบบเป็นเวลาต้อเป็นมืออาชีพต้องเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพแค่เป็นมื อ, มอสมัครเล่นเล่นสู้เขาไม่ได้สู้เก่งไม่ได้ดไไดก็ต้องเริ่มจากการเป็นมือมือสมัครเล่นก่อนแต่ขอให้ทํำในเวลาที่เรามีเวลาว่างกันแล้วกันเป็นส่วนกลางวันอาทิตย์วันหยุดงาน แท น, นที่จะเอางานเอาเวลาไปที่เราไปหาความสุขที่เป็นของกลนี้เอามาปฏิบัติมันดีกวเอามาถือศีลแปดเอามาภาวนาไปถ้าวัดไม่ได้ก็ทำบ้านให้เป็นวัดน็ไเขียนป้ายไว้ที่หน้าประตูว่านี้เป็นวัดหรือศีกแปดภาวนาไม่มีทีวีไม่มีเครื่องบรรจงต่จางในวันเสาร์วันาทิตย์วางหยุด ถาไม่ตั้งตรงนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้ต้องสุดทำจากน้อยแต่หามากทาจากจุดที่เราทำได้ตอนนี้เราทําอะไรได้การไปแล้วก็มองก้าวต่อไปเช่นตอนนี้เรารักษกาสี่ห้าได้เราก็ลองมองก้าวต่อไปก็คือสิแปด แต่เราก็จะามาลองรักษาในวันพระหรือวันหยุดทื่เราไม่ต้องไปทํา ง, งานดูเาวันไหนที่เราไม่ต้องทํา ง, งานเป็นวันพระของเราก็ได้แล้ววันนั้นลองมาถึงสิงต่างกันเลยเราปิดทีวีเราไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าตาปากไม่ต้องใช้น้ำหอม น, น้ำอะไรต่างๆไม่ต้องดูละครดูหนังไม่ต้อ ง, องนอนหลับทำเลไม่ต้องออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ อย่ตัวอยู่ในบ้านเดินจงกรมนั่งสมาธิแตต้องคอยทำไปทีละครั้งไม่ใช่อยู่อยู่จะหามกระโดดไปทางเพีเดียวไปวดวงอะไอย่างนี้ก็ทำไม่ได้อยู่าาใจก็ทุกข์ก็ระบายใจเพราะทำไม่เป็นทำไม่ได้ไม่เคยทํา ม, มาก่อนแต่ถ้าเราฝึกทํา ม, มาก่อนเรื่อยๆพอถึงเวลาเราไปบวชเราก็จะบวชได้อย่างสบาย ไปปฏิบัติแบบมืออาชีพได้รว่ที่เป็นเมืออาชีพต่อไปเขาก็เป็นมือสมัครเล่นก่อนแล้วเขาเล่นไปเรื่อยๆแล้วเขาเป็นความสามารถของเขาว่าสามารถก้าวขึ้นไปมืออาชีพนะเขาก็ก้าวขึ้นไปเราไปต่อไปแล้วก็ปฏิบัติแบบมือมือสมัครเล่นไปก่อนพอปฏิบัติไปแล้วเราเห็นว่าอ่าต่อไปเราสามารถปฏิบัติแบบมืออาชีพได้เราก็ไปปฏิบัติแบบมืออาชีพได้เลย ถ้เราไม่เริ่มทำเลยมันก็จะไม่มีวันที่จะก้าวหน้านั mm ่น hmm. ขอให้เราเริ่มเริ่มัำกันเริ่มหัดรักษาสิ่งแต่งถ้ายัางรักษาสิ่งท่าไม่ได้ก็รักษาสี่งาให้ได้ก่อน mm hmm. ถ้ายัางทำบุญทำทานไม่ได้ก็ทำบุญทำทานไปก่อน mm hmm. อย่าหวงสมบัติอย่าห่วงเข้าวของเงินทองอย่าเอาทอกเอาเงินทองไปซื้อความสุขมันจะเป็นการเอ ขัดขวางการจเจริญก้าวหน้าในทางการรักษาสิ้นในทางปฏิบัติเพราะถ้าเราเงินไปซื้อความสุแล้วก็ต้องหาเงินมาซื้อต่ออยู่เรื่อยๆก็จะรักษาสิ้ไม่ได้งั้นอย่าเอาเงินมาซื้อความสุขเอาเงินมาทําบุญแทนซื้อความสุขที่แท้จริงการทำบุญนี้เป็นการซื้อความสุขใจเราจะทำได้ใจรักษาสิ้นได้อย่าจะไม่ต้องหาเงินมาก แล้วพอเราได้กวารสุขมากขึ้นคามอยากจะซื้อผ้าือของใจงใช้ตามก็จะด้ลงไปเราก็จะมีเงินทบุญได้มากขึ้นพอรทําบุญได้มากขึ้นใจก็สงบมากเป็นรักษาศได้มากขึ้นปฏิบัตได้มากขึ้นมันก็จะช่วยกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจาค่ะเทยที่แล้วที่หนูมาถูปพระอาจารย์นะขอถวายพระอาติหนูขึ้นเดินที่ที่มีพระบูชา่ ตัวไร้รักษานะครับหลวงพ่อหลวงพ่อต้นแลทวก็เอ่อหลวงพ่อทวยอยากจะรูปรูปแล้วเราก็ดูที่กระจกตรงเหมือนกันใช่ไหมที่หลว่อทานมีช่งอยทีที่พรที่บ้านกองหลวพ่อด้วยค่ะ ถ้าช่วงที่มีปัญหากโอเคหือแต่งงานรางานร้าชาลางานเรา้ดท้็นหาไก็ดีไม่ต้องไปสนใจให้เราสนใจอยู่กงานที่เราทำค่ะก็คือดูี่เราเรียกตามนั้นถูกไมคะเราล้าจานอย่างี่ากายดูปเรเอไปแล้วก็ดูงานที่เราทนันเองส่วนเรื่องอื่นเราไม่ต้องไปสนใจถ้าเราไม่งมีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วย ถ้าใครมาคุยแล้วเราก็ต้องรับรู้แล้วก็พิจารณาว่าควรจะพูดควรจะตอบอย่างไรถ้าไม่ควรพูดไม่ควรตอบก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องตอบแล้วก็ทาอะไรของเราต่อไปแต่มไม่รับรู้อะไรไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรเพื่อมนรู้เพียงแต่ว่ามันไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารักนี้เท่า น, ะ น, นั้นก็ดีอารมณ์มันทำให้จิตใจเรา ว, าว่าวุ่นขุ่น เวลไปรับรู้แล้วเดี๋ยวน้ำใจก็ไม่สบายใจขึ้นมาารับดูแล้วเฉยก็ดีถ้รับรู้แล้วมีอารมณ์ก็ไม่ดีนั่งสมาธิก็เพื่อทําให้ใจเราไม่มีอารมณ์กับเรื่องราวต่างๆคืออย่างนีงนงนงนงน้อย่างนี้ดูลมหายใจเนะี่ยเด็กเริ่มชินแล้วแต่เด็กแต่ว่ายังไม่ชินกับที่ว่าดูกาย คือมนการดูการนี่มันดูได้สองลักษณนะดูเพื่อเป็นการเจริญสติก็คือดูเพื่อให้ใจไม่ลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เรื่องของการเจริญสติการดูกายแบบนี้นก็คือดูให้เกิดปัญญาเพราะว่าดูร่างกายว่าเดี๋ยวมันต้องแก่ไปมันต้องเสื่อมายได้สวยมันจะต้องตายไปือว่าร่างกายนี้มันมีส่วนที่ไม่สวยงามอยู่ เช่นใครได้จีหนังนี่มันมีอาการอาวัยวะต่างอยู่ทั้งของเราและอูทั้งของคนอื่นโดยเฉพาะเพราะที่เรามีความไข้มีความยินดีถ้าเราต้องการที่จะตักทางไข้ความยินดีเราก็ต้องมองในส่วนที่ไม่สวยงามของเขาเพราะถ้าเราเห็นในส่วนที่ไม่สวยงามแล้วตากไฟเราก็จะไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาไม่อยากจะให้เขาได้ต้องมาเป็นคู่ฟองของเรา เราก็จะสามารถอยู่คนเดียวได้ถ้าเวลาเขาจากเราไปถ้าเราไม่ดูเลยเราก็จะเกิดความค้ายความดีอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆถ้าเวลาใดที่เขาไม่อยู่กับเราเวลานั้นเราก็จะว้าเวยจะเศร้าเศร้นง่อยเหงาขึ้นมาเพราะเรายังมีความอยากให้เขาอยู่กับเราอยู่แต่ถ้าเราเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขา เราก็จะไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาที น, นี้เรามดูร่างกายเพื่ให้เกิดกัญญาต้องดูว่ามันไม่เพียงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องใจยต้องดูว่ามันไม่เฉืยงาต้องดูว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่เป็นไม่มีตัวตนในร่างกายในร่างกายมีเพียงดินน้าลมไฟเท่านั้นเองทุกสิทุกส่วนของร่างกายนี้ทำมาจากดินน้าลมไฟ ดินน้ำลงไฟก็มาจากทางอาหารที่เรารับประทานก็ไปอาหารที่เรารับประทานก็ต้องมาจากดินน้ำลงไฟข้าวก็ต้องมีดินน้ำลงไฟผักก็ต้องมีดินน้าลงไฟเนื้อสัตว์ก็ต้องกินผักกินข้าวเนื้อทุกอย่างที่มารวมตัวกันเป็นร่างกายนี้ก็คือดินน้าลงไฟดีๆนี่เองซึ่งอันหนึ่งมันก็จะต้องแยกแยกสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลงไฟไปนี่คือการ ดูร่างกายสอนใจให้รู้ความจริงของร่างกายเพือ่อจะได้ไม่ไปหลง ic, ยึดติดก็อยากให้ร่างกายเป็นของเราอยู่กับเราไปนานๆหรือไปหนงร่างกายของคนอื่นอยากให้เข า, ยาอยู่กับเราให้คาวามสุขกับเราเพราะความจริงเขาไม่เขาไม่สวยงามอย่างที่เราคิดเราไม่มองในสว่วนที่ไม่สวยงามกัน cả. เรามองแต่ส่วนที่สวยงามก็เลยเพิ่มเความ กำหนัดต่อความเศรความยินดีต่อความสุขจากการที่ได้อยู่กับเขาได้อยู่ใต้เขาแต่มันก็มีโทษการมาเวลาที่เขาไม่อยู่กับเราเวลาที่เขาจากเราไปอันนั้นเราก็จะอยู่คนเดียวไม่ได้จะทุกข์ทรมานใจก็ต้องไปหาคนอื่นมาทดแทนเขาถ้าเขาตายไปแล้วก็ต้องหาคนใหม่มาก็ต้องหามาเรื่อยๆ ตายกลับมางก็ต้องกลับมาหาคนใหม่แต่ถ้าเราเห็นความไม่สวยงามแล้วตใจเราก็ไม่อยากจะอยู่กับใครแม้แต่ร่างกายเราเราก็ไม่อยากจะมีร่างกายของเรามันก็ไม่สวยงามเหมือนกันร่างกายของคนทุกคนเหมือนกันหมดมีอาการสาหัสภาพที่จะต้องกลายเป็นซากศกไปในที่สุดเี่ยมองอย่างนี้บ้างเพื่อที่จะได้ไม่ไปโนงยึด ต, ติดกับร่างกาย ไปรักร่างกายก็อยากมีร่างกาย <ๆ S 1> ทั้งของเราแ ล, และทั้งของคนอือ่นนี่คือการดูร่างกายเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ถ้าดูร่างกายเพื่อให้เกิดสติก็คือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่าใจะจะได้สนบเป็นสมาธิการดูดูร่างกายนี้ดูได้สองแบบดูเพื่อให้เป็นสมาธิเพื่อดูเพื่อให้เป็นปัญญา อันเป็นก็ต้องดูให้เป็นสมาธิก่อนพอใจมีสมาธินะ้วถึงจะดูร่างกายให้เป็นปัญญาได้จรินี่คือการปฏิบัติต้องเป็นขัดเป็นตอนตปเวลาใจสงบมันก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายไม่รับรู้เรื่องที่ผ่านมาทางร่างกาย<ม>เช่นรูปเสียงกลิ่นวับางทีนะบางทีรับรู้ก็ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้เฉยๆใครจะพูดอะไรก็ไม่เลยสนใจ ทำนั <sk r ere> ่งนิ่งอยู่ใบหน้านิง่งอยู่ที่เฉยๆอย่างนัง้นอย่างนั้นเขเรียกว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิจิตสงบได้สองแบบสงแ บ, บแบบเต็มที่ก็คือร่างกายหายไปเลยรูปเสียงกลิ่นก็หายไปเลยเหลือ แ, แต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวตามลาพังโดยสงบแบบไม่เต็มที่ก็คือจิตจิตสงบแต่ยังรับรู้เสียงรับรู้กลิ่นรับรู้ร่างกายอยู่แต่ไม่ไปกังวลไม่ไปยุ่นวายกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นกับเรื่องของร่างกาย ปล่ให้เขาอยู่ตามสภาพของเขาไปเช่นนั่งเวลาเจ็บก็จะไม่รู้สึกเจ็บมากเจ็ได้รับได้อันนี้คือความสงบมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันสงบก็ปล่อยมันสงบไปให้นอนที่สุดต้องการมันจะถอนออกมาต้องการมันจะออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องเอาความคิดนี้มาคิดเพื่อสอนใจให้เข้าใจถึงความจริงของร่างกาย การที่จะไปคิดหาเงินหาทองไปเที่ยวที่ไหนดีไปกินไปดื่มที่ไหนดีเรามาคิดว่าร่างกายเราไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของคนที่เรารู้จักก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของลูกของหลาของญาติสนิทมิตรหายไม่คิดไปในทางนี้ไม่คิดว่าร่างกายของเขาเป็นเพียงดินแล้ำหมนไปไม่ใช่ตัวที่ตัวที่แท้จริงของเขาตัวที่แท้จริงของเขาอยู่ที่ใจ ตัวเขาไม่ได้ตายแต่กับร่างกายเวลาที่เขาตายเราจะได้ไม่เ่รสาโศเสียใจเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้ตายส่วนที่ตายนั้นเป็นเพียงอของของตัวแทนของเขาร่างกายนี้เป็นเหมือนตัวแทนของเขาหลังกับร่างกายนี้ก็เป็นตัวแทนของเราตัวเราอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแังนั้เวลาร่างกายตายเราไม่ได้ตายแต่กับร่างกายใจเรายังอยู่นีใจเราก็ต้องไปต่อ ไปตามการภูมิของเราถ้าเรายังต้องการมีร่างกายใหม่แล้วก็ไปเกิดใหม่ได้ร่างกายใหม่ถ้าเราไม่ต้องการมีร่างกายเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องมีร่างกายถ้าเรารู้ความจริงว่าร่างกายนี <t <t ้เป็นสิ่งที่เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเราก็จะไม่อยากได้ร่างกายใหม่เราก็ไม่ต้องเกิดใหม่เมื่อไม่เกิดใหม่ก็ไม่ต้องมาทุกข์กับอย่างที่เราเป็นอยู่อย่างวันนี้ก็มีทาเนี้ ถามตัวสานใจให้ปล่อยวางให้อยู่ตามลำพังให้ได้เพราะใจจะมีความสุขอย่างยิ่งถ้าอยู่ตามลงพังถ้าอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะต้องไปทุกข์กับเขาถ้าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่มีอะไรจะทุกข์ด้วยแต่ไม่มีลูกก็ต้องทุกข์แล้วเมื่ออนนี้ไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับเขาตอนนี้มีแล้วก็ต้องทุกข์เวลาเ็ดีก็ทุกข์แบบหนึ่งเวลาก็ไม่ดีก็ทุกข์แบบหนึ่ง ไม่ว่าดีหรือเชื่อประทุกเหมือนกันดีก็กลัวเ้าจะจากเราไปทุกก็ปวดหัวถอาไม่ดีก็สบายอาจารย์ไหโอเคค่ะพครับคืนนี้ผมลงจากขาวปีสามปีสี่ครึ่งไปสี่บุรีเดีวผมบ้านเดีขยวผมมากลับครกสบายครับ วันนี้ไม่ได้รับสายที่เป็นติดคือเลาี่นที่ติดแล้วล่ะแมไปไปเรื่องไตไตไตไตไตตตตต